เรื่องราวหรือเนื้อหาที่บรรดาสุรามาเ ก, กียะจะนินบรรดาสุรามาเ ก, กียหมายถึงองค์การหรือบทที่ถูกประทานลงมาช่วงที่ท่านน บ, บีอยู่ที่มักกะก่อนที่ท่านน บ, บีอพยพไปมาดีนาะกล่าวคือช่วงที่ท่านน บ, บีเผยแพร่ ในยามที่ท่านนาบียังไม่มีรัฐยังไม่มีกำลังทหารยังไม่มออีอิทธิพลที่จะปกป้องคุ้มครองการดาวะการเผยแร่ของท่านบรรดาสุราเหล่านี้ก็จะเน้นสองเรื่องหนึ่งเรื่องการให้เอกภาพแด่ลอฮเรื่องเตวีต ให้เช e ื่อในความเป็นหนึ่งเป็นเอกะของ a l ล a h สองให้เชื่อในวันปาโลกคือวันเกียรมาสองเรื่องนี้เรื่องใหญ่ซึ่งเป็นสองเรื่องที่บรรดามุสลิกินรับไม่ได้รับว่ามี Allah รับว่ามี Allah นะแต่ไม่ใช่องค์เดียวไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียว องค์เกียร์มากวันแห่งฟื้นคืนชีพเนี่ยอันนี้ไม่เชื่อเลยจะฟื้นคืนชีพได้ยังไงจะเรากลายเป็นสลายเป็นบินเป็นทรายเป็นเป็นรองทุลีแล้วจะมามาเกิดมาอีกครั้งหนึ่งเป็นชนีวิตชีวายังไงพระเจ้าจะมีองค์เดียวได้ยังไงโลกนี้ใหญ่โตใหญ่หลวงจะต้องมีพระเจ้าหลายองค์จะต้องดูแลเรื่อนู้นเรื่องนี นบีก็ต้องต่อสู้กับสำนักคิดเหล่านี้สำนักคิดสำนักคิดที่คอที่จะให้เหตุผลในในความเชื่อแบบนี้นะถึงขันดีตั้งกลุ่มตั้งก้อนกันจะได้ตอบโต้นบีตอบโต้นบีที่มาเชิญชวนให้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวโตอัลลนวฮิด บรรดาพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะให้เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนั่นหรือคนเาหนึ่ที่เป็นมุสลิมมาหนะที่ให้เอกภาพเดอัลบาหนิอาจจะนึกไม่จะนึกเขาพูดยังไงคือเขาอึกมาต้นนบีเป็นไงว่ามาแปลกใจเด้งไงว่านบีจะให้พระเจ้ามีพระองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวจริงอ่ะแต่เขาแปลกใจเราก็ต้องแปลกใจเราแปลกใจไง เราเชื่อในวันปรโลกถึงกันที่เราเชื่อว่าไม่มีวันประโลกแล้วโลกนี้จะมีความหมายหรอเราถนัดเนี่ยไม่มีวันเกียร์ม่านิเนี่ยทั้งหมดเท่เา่มีแค่นี้หรอ <laughs> เราก็แบบปลกใจว่าเขามีเชื่อได้ไงแต่บางทีเรา ข้ามประเด็นหรือข้ามปัญหาของคนที่ปฏิเสธความจริงปัญหาของคนที่ปฏิเสธความจริงซึ่งการปฏิเสธความจริงนั้นอาจเกิดจากอุปสรรคก็ได้เราชิมน้ำห ว, นหวานหอมหอมแล้วก็ให้เพื่อนเราคนหนึ่งชิมเขาบอกว่า ไม่เห็นจะหวานไม่เห็นจะหอมเลยโอก็แสดงว่าแสดงว่าเป็นโรคมีปัญหาที่ลิ้นแน่นอนเพื่อนเราก็อาจจะพูดด้วยความสัต์จริงนะว่ามันไม่หวานจริงๆอนะเหมือนผมเวลารักษาโรคมื่นอะนะบางทีให้ทานน้ำคุรอ่านเขาก็บอกว่าขม คนก็อาจจะไม่เชื่อไงผมผมก็ตั้งใจที่จะให้เป็นน้ําหวานแล้วก็อ่านกุรอ่านอพอเขาบอกว่าขมเลยชัดเลยชัดแจ๋วเลยน้ําหวานมันจะขมได้ไงก็จะต้องเขามมีปัญหาปัญหาในตัวแต่คุรุอ่านก็ไม่ข้ามไประเด็นนี้ประเด็นปัญหาของคนที่ปฏิเสธเนีว่าเขาอาจจะมีปัญหา ส่วนตัวปัญหาเรื่องตักกะเรื่องกระบวนการคิดเรื่องลำดับความเชื่อเรื่องออการสร้างความไว้วางใจกับหลักฐานต่างๆที่จะนำไปสู่ความเชื่อ พวกเราทุกคนก็อาจจะมีปัญหานี้ด้วยแต่แตกต่างกันที่ว่าเขามีปัญหาในเรื่องความเชื่อใหญ่เราอาจจะมีปัญหานี้ในเรื่องความเชื่อลิกๆ ก, ก็ได้ในอุมาอิสลามเียก็มีคนไี่มีปัญหาในเรื่องความเชื่อเหมือนกันแต่เป็นความเป็นปัญหาเล็กในคนเชื่อว่ามีอัลลอฮ์แล้ว แต่ไม่เชื่อในคุณลักษณะที่อัลลอฮฺได้บอกก็เป็นปัญหาความเชื่อเหมือนกันแต่มันไม่มีปัญหาใหญ่คนไม่มีปัญหาในความเชื่อของอสิง่งลึลับมีความสิง่งลึลับมาเลยก็เป็นนามาทมของความดียินลัชดอนป็นำมาทมแห่งความชั่วพวกนีก้ก็มีความ มีปัญหาในเรื่องความเชื่อเหมือนกันและบางทีไม่สามารถที่จะกล่าวหาความบริสุทธิ์ใจของเขาแต่ในการปฏิสิทธ์พระเจ้านี่ความบริสุทธิ์ใจนี่มันช่วยไม่ได้เพราะความชัดความประจักษ์ชัดของการมีพระเจ้าเนี่ย<ม>ไม่ เป็นข้ออนุโลมใดๆแก่คนที่ปฏิเสธพระเจ้านอกจากคนที่ขาดข้อมูลอย่างสิ้นเชิงเลยแต่คนที่มีข้อมูลแล้วมีโอกาสที่ศึกษาเรียนรู้แล้วอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุรุณไม่เป็นข้ออ้างที่จะลดโทษหรือจะยกโทษให้คนเหล่านี้ ความที่กูอ่านเนี่ยรอบคอบในการเข้าถึงทุกประเภทที่มีปัญหาในเรื่องความเชื่อแล้วเป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยเนีว่าเราพูดถึงคนอื่นที่เขาไม่เชื่อเราต้องมาตั้งคำถามกับตัวเราก่อนที่จะไปไปก่กวหาก่อนที่จะไปต่อว่าก่อนที่จะไปทำงานไปดาว่าเขามาตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าทำไมเขาไม่เชื่อ ทำไมเขาไม่มีทำไมเขามีปัญหาทำไมเขาไม่ยอมรับในความจริงหลักฐานของคุณอา่านในเวลาพูดกับคนเหล่านี้ในเวลาเข้าถึงกลุ่มทุบประเพียนเนี่ยมันไม่จําเป็นเสมอนะหมายถึงว่าเราเองนะไม่มีปัญหาเรื่องความเชื่อคนอื่นมีปัญหาเรื่องความเชื่อคุณอา่านก็เลยเอาหลักฐานนี้มาพูดกับคนนี้มีปัญหาเรื่องความเชื่อ หลักฐานในมุมมองของเราเลยนะดูเหมือนหลักฐานไม่น่าเชื่อถือใช่ไหอะไี่เราอ่านกันในสุรษะอัลฮักัดีในสุรษะนูรกัดีใช่สุรษะอัมเบียกัดีที่เราพูดถึงเรื่องขั้นตอนของการเกิดทรุธในมดลูกละเอียดอุลามะจะอ่านกันมาตั้งแต่ด็กจำบัด แต่ไม่เกิดปัญญาและวิชาที่ใหญ่โตนักสําหรับเขาคือเขาไม่ได้ทึ่งไม่ได้ทื่งแต่ถามว่าอัลลอฮฺประทานกุอานลงมานี้อายันี้ให้เราเหมือนกันบ้าก็ให้เราเหมือนกันเราอ่านได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์แต่ประโยชน์ระดับไหนระดับหนึ่งอ่านก็ได้รับรู้ว่าเอ่ออัลลอฮฺบอกกับเราว่าใน คั้ของบรรดาหนิหมรลูกจะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอ น, นยังไงเราก็รับรู้แต่พอแพทย์นักแพทย์นี่ยเขามาอ่านนะนะไอ้เดียวกันของเขาเนี่ยเขาทึ่งเรามันทึ่งตรงไหน呀คือเราอ่านอาจจะทึ่งในเรื่องสำนวนในเรื่องข้อมูลบางอย่างแต่เขานี่ในทึ่งในข้อมูลที่มันลึกลับมากที่ไม่มีใครสามารถ ค้นหาได้ในยุคนั้นนี่เช่นเดียวกันอายะห์บางอายะห์นที่อัลลอฮ์กล่าวถึงคนที่ปฏิเสธสัตวานเรานี่อาจจะดูว่ามันเป็นอายะห์ธรรมดาเช่นอายะห์ที่เรากำลังจะอ่านในค่ำคืนนี้อายะห์หนึ่งร้สามสแล้วก็สแล้วก็สาแล้วก็บาอบิลมินันอิลลมตูอัดอาตมอันตุบิมูอิซน ไอ้ น, นี่สำหรับคนทีนป่ปฏิเสธวันเกียร์มาเป็นเรื่องที่ชาวมักกะคนรุ่นรุ่นก่อนที่ที่ที่ที่น บ, บีดาว่าเขาเนี่ยไม่ยอมรับในอัลลอฮ์ไม่ยอมรับในเอกภาพของอัลลอฮ์ไม่ยอมรับในวันเกียรมาเขก็ต้องมาเคี่ยสองเรื่องนี้ตลอดเน้นเรื่องสงเรื่องนี้อันนี้มาพูดมาพูดกับกลุ่มชนที่ไม่ยอมรับในวันเกียร์มา เราก็จะมอว่าอายันนี้ไม่เกี่ยกับเราเพราะเราอยอมรับในวันเกียร์มาประเด็นแรกว่าอายันนี้จะพูดกับกลุ่มชนที่ปฏิเสธวันเกียร์มาและเขามีปัญหาในเรื่องความเชื่อในวันเกียร์มามีเรื่องความสงสัยต่อวันเกียร์มาประเด็นที่สอง อานี้เกี่ยวกับคนที่ปฏิเสธวันเกียรมาแล้วคนที่ศรัทธาในวันเกียรมาอย่างพวกเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรสองคำถามนี้เราจะพยายามตอบเกี่ยวกับอยายันนี้คำถามแรกคนที่สงสัยในวันเกียรมาสงสัยเรื่องอะไรหลายเรื่องคือหลายเหตุผลแล้วก็เหตุผลต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นไปนไม่ได้ของการฟื้นคืนชีพเนี่ยอะอ่ะอานนิพพุทธเยอะ ในหลายสุรหลายสุรเช่นเป็นทรายเป็นดินแล้วจะฟืน้นคืนชีพยังไงก็จะมีคำตอบเหนี้มีบางคนที่ข้อสงสัยของเขาเป็นข้อสงสัยเบสิกข้อสงสัยธรรมดา ก็เนะนี่ยเนี่ยที่เราเป็นแห่งรถชนจริงเหรอจริงเหรอคนที่เล่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะเล่าแบบเล่าแบบธรรมดาเฮ้ยรถชนจริงเหรอจริงดิเออเชื่อเชื่อได้อะไรอะด้วการยนยนจริงเหรอจริงดิเชื่ออะไร มีไหมแล้วบางทีเล่าเรื่องเล่าเรื่องแบบเชยเชยแบบธรรมดาธรรมดาเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาขอเงินเงิน่ะจิงเบาจิ้งิ๋เห็นเองนะเนี่ยทาเป็นเล่นนะเชื่อแหละซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยในสังคมทุกสังคมมันมีมีเยอะมากเลยะคือคนที่ไม่มีไม่มีเขาไม่มีอคติ ไม่มีอคติกับนบีไม่มีอคติกับข้อมูลที่นบีนำมาบอกไม่มีเขามีแค่มีแค่ข้อสงสัยบวกด้วยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเชื่อในอัลลอฮ์อยู่แล้วเชื่อมีพระเจ้าอยู่แล้วมีน้ำซัมมีบางกลุ่มมีเชื่อว่าอัลลอฮ์นี่สุนนบินมุฮัมมัดจริงด้วย แต่ที่แปลกประหลาดมากนี่ว่าเขาเนี่ยคืออย่าเข้าใจว่าทุกคนเออเชื่อว่านบีมุฮัมมัดนี่วเนลมาจากอัลลอ์แสดงว่าเอาทุกอย่างต้องเชื่อฟังนบีนไม่ใช่เขาเป็นกาเรีนี่หมายถึงว่าเชื่อเออเป็นไปได้ว่านบีนี่มุฮัมมัดนี่มาจากอัลลอ์ะแต่ฉันไม่เชื่อบางอย่างแบบนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนะก็มีนะคือคนนี้ไม่ีคติกับนบีมุฮัมมัดนะ แต่บางอย่างที่นบียมันมันมาเชื่อมันมันไม่กินกับปัญญามีไหมปัจจุบันมีมีคนแบานี้ก็ไม่จากอะไรกับคนยุคก่อนนี่เมาเชื่อยอมรับว่านบีมุฮัมมัดนี่นเบได้สเลยนนบีกอัลลอฮ์แต่เี่มานะจะมีวันเขเป็นไปได้ไงมันไม่กินกับปัญญาเองแต่คนที่มีการปฏิเสธหรือมีกระบวนการปฏิเสธที่มันเบสิกมัน มันไม่ซับซ้อนดูนะความฉลาของคุณอ่านนะก็ไม่ต้องไปโต้ด้วยวิธีที่มันซับซ้อนไม่ต้องสแสดงความจริงใจสแสดงความบริสุทธิ์แสดงความเคร่งครัดในเนื้อหาในเรื่องเช่นอายานี้สมมุติฐานของอายานีว่ามีนบีไปดาวาบอกว่ามีวันกียร์มากนะ ก็มีคนมาบอกว่ามีเป็นไปได้ไงวันเกีว่าจะเป็นไปได้ไงก็เลยมีคำตอบแท้จริงสิ่งที่บวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะมาแน่นอนแล้วมีสัญญาว่าจะมีวันเกียรามาก็มีคนเป็นไปได้ไงวันเกีว่าจะมาได้ไงเลาก็เลยตอบด้วยวิธีที่มันไม่ง่ายวิธีที่ไม่มองว่าเขาเนี่ยเป็นคนได้มีอคติเขามีเป็นคนเลวที่ไม่เชื่อในความจริงเปล่า กแบบไม่ง่ายอินนี่มาตัวรดูนัลาติ่ม แ, แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะมาแน่นอนท่อนนี้เป็นท่อนที่เนสิกมากง่ายมากเราเนี่ยนะถึงผมบอกว่าบางคนเนี่ยเผยแพร่ศาะ ส, ะสนาไม่ใช่บางคนงนักวิชาการนักวิชาการบางคน ไปแม้สัต ส, สัสนะสมเหนว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยที่เีเอาศาสนานี่เป็นศัตรูและไม่ไเป็นศัตรูเป็นศัตรูที่มีอคติตั้งใจจะผิดศาสนาไม่หวังดีไม่ใช่มหาอภิชาติเนี่ยกับพระพยายามเนี่ยเหมือนกันไหมเนี่ยเห็นนะสองคนก็ใส่ผ้าเหมือนกันเลยแต่เหมือนกันไม่ในเรื่องการยอมรับในเรื่องการ คุค mm. ีในเรื่องการที่จะเปิดใจที่จะพูดคุยกันเหมือนกันไม่ไม่เหมือนกันเลยแล้วควรที่จะใช้วิธีเดียวกันไหมในการเผยแพร่ในการพูดคุยเรื่องศาสนาใช้วิธีเดียวกันไหมไม่ได้คนในสมัยนบีในยู่นบียู่นบีมูฮัมมัดก่นที่จะเป็นนบีนะคุคีกันนบีตะโตกันนบีสนับสุนนบีนบีเศาสนาอิสลาม กับสนับสนุนนบีแต่ไม่เชื่อไม่ยอมรับคนเหล่านี้กูอ่านก็ต้องมีมีสำนวนมีมีมวอดดิง้งเฉพาะผมว่าอาย่นี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคิสตบีอะไรเป็นเป็นกรณีศึกษานะว่าทําไมอาย่นี้นะนะโดยเฉพาะท่อนนี้ยไม่มีความรุนแรงกับคนที่ปฏิเสธรูร้คนเยางอิมานนะปฏิเสธอะไรวันเกียรมา แล้วพูดพูดยังไงกับคนที่ไปโยนเกียร์มาเนี่ยพูดยังไงมีนะ ม, มีจริงนะเออเป็นกรณีศึกษาว่าบางคนนี่นะคุณไม่ต้องยึดกับเขาบางคนนี่คุณไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องไปไปรุนแรงไม่ต้องใช้หัว ด, ดิ้งที่มันท้าทายใช้หัว ด, ดิ้งที่มันแฝงซึ่งการปักปั๊มหรือการกล่าวหาว่ามึงอะปฏิเสธอะมึงอะไม่เชื่อมึงอะในใจนะ่ะไม่เอาใช่ไหมไม่ คือสมมติฐานวะว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญหาใหญ่เขาอาจจะต้องการการ ย, น ย, นยนืนยันอย่างเดียวอยากต้องการยืนยันใช่ไหมอ่ยนยนายิานยันไหอินเนมัตูอาดูนะเา่าติมาแน่นอนมีแน่นอนจะมาอย่างแน่นอนว่ามาอันตุมบิมอจิสีนอีกท่อนหนึง่งพูดกับอีกกลุ่มหนึง่ง ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็กเป็นกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่อาจจะมีความรู้สึกความรู้สึกว่าการปฏิเสธเนี่ยเป็นสิทธิของเขาแล้วบางคนที่เขากับตัวเองนะว่าการปฏิเสธเนี่ยคือการไม่ยอมรับของตัวเองเนี่ยเป็นการปฏิเสธสิ่งที่มันมีจรงิงดวงอาทิตย์มีมีมไหมมีม เรามีคนบอกว่าถ้าเรืบอกว่าไม่มีดวงอาทิตย์เนี่ยแสดงว่าเราจะไม่มีจริงกัร น, นั้นหรือไม่ใช่มีบางคนเนี่ยปฏิเสแล้วรู้ว่าตัวเองตอแหล่นี่คือดวงอาทิตย์อยู่นี่นะไม่มีเรารู้ว่าตัวเองนะตอนแหลแต่มีบางคนเนี่ยไม่มีดวงอาทิตย์และในใจเ่ยมันก็อาจจะไม่มีจริงก็ได้ <c oughs> และเข้าใจรู้ว่าการประฏิเสธของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการ บอกปิดปิดบังความจริงที่มันมีจริงกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันก็มี ค, คือคือกลุ่มที่กลุ่มที่เขามัดง่ายกับศัจธรรม嘛นะแล้วเอาความรู้สึกของตัวเองความเชื่อของตัวเองในเป็นที่ตั้งคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าอลังการรู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความจริงได้ด้วยความเชื่อของตัวเอง อันนี้อลม่าก็บอกกับเขาว่าอันตุมมีมอดิซีพวกเจ้านั้นไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปได้คือรอดพนด้นจากความจริงะที่จริงแต่แปลตามคำศัพท์มอดิซีนนี่นะพวกเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้อัลลอ์เนี่ยออนแอในการที่จะแสดงความจริงที่พระองค์ได้สัญญาไว้ ก็พวกเจ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ย ไ, ไม่ได้หรอกพวกเจ้าไม่ไหวหรอกทำไม่ได้หรอกแต่เขาแปลทางอ้อมหน่อยพวกเจ้าไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปได้ก็รอดพ้นจากความจริงอะความจริงที่มันมันมีจริงมันมาแน่นอนอะนะไม่ใช่การปฏิเสธของพวกเจ้าเนี่ยที่จะทําให้วันเกียร์มนยังไม่มาไม่ใช่และที่จริง แค่คำเดียวนี่ว่ามาอันตุลบิมอจซินมันสามารถขยาบภูเขาแห่งความสงสัยที่มีอยู่ในตัวเขาเช่นคนตลอดชีวิตเข้าใจว่าคนนี้เป็นคนที่ค่าบีดาของเขาเขาอย่างนั้นคนรบอบๆมีกระบอกเขาาก็เชื่อแบบนั้นทำไมคนบอกว่าม่บอกกับเขา อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้โอ้หว่านวยเลเออมันก็อาจจะไม่ได้แล้วอาจจะเป็นทุดเริ่มต้นนี่จะไม่เขาต้องค้นหาความจริงอีกแล้วไม่ใช่วันเกิดมามาด้วยตัวแต่ตั้แต่ด็กดับันปุยยะตายนี่ปูกฝัาตายแล้วก็ตายไปแล้วก็จบแล้วเกิดม า, างี้ เกิดมาก็ปลุกฝังอย่างนี้ย่ามูฮัมมนมันมันก็อาจจะมีก็ได้นะแล้วเราความเชื่อดังด้งเดิมเราเนี่มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความจริงถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงบรรยากาศการตู้แบบละเอียดอ่อนอย่างนี้ของอัลกุรอานทำให้เราได้สำนึกบ้างนะครับว่าการทำงานของท่านนบีเนี่ย ไม่ช่วยนไม่เล <ella> ิเธอนะและทำใหเรารู้สึกว่าการศึกษากุอาของการศึกษาของเราเนี่ยกับอัลกุรอานกับการเนงานของท่านมบีที่ผ่านอัลกุรอานเนี่ยมันมันยังอีกเยอะอีกเยอะเราก็ไม่เคยได้บทเรียนจากการทำงานศาสนาของท่านมัอนเรื่องน้ยวลทมยะ่องใหญ่เรื่องหลักหักทใหญ่ พเพเนี่ไปวนวนเข้าใจว่าดาวะของเราเนี่ยวนอยู่กับเรื่องเรื่องเรื่องเล็กๆอวนเถียงกับมีบางคนเนี่ยทั้งวันเนี่ยเถียงกับชาวบ้านมีกูหนูไหมมีคุณ น, ณนูกระดิกนิว้วไหมกระดิกนิว้วโกนเข้าได้คกน ไ, ไทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องมุสโสณาจริงแต่มันไม่ใช่เรื่องหลักการใหญ่ของอิสลามเนี่ย เราเคยเสียเวลากับชีวิตมันไม่เสียเนยคือเราใช้เวลาในชีวิตเนี่ยในการโต้เถียงในเรื่องใหญ่นี่กับต่างสื่อหรืม่กับคนคริสต์ไหมกับคนพุทธไหมเออเรื่องพระเจา้าเรื่องเนเกียร์มากแล้วก็ใช้เวลาและเครียด ก, กับเรื่องเนี้เคยไหมไม่มันจะเสียเวลากับคนข้างๆนี่นี่กระดิกนิ้วอีกและอ่ะอนี่มาอีกแล้วสถาบันก็วนไปเรื่องนี้ แต่คนอื่นน่ยเขาบูชาเจวิตเขาอะไรอย่างงี้นอย่างนี้นะดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ประเด็นเออนีมันไม่ใช่ประเด็นแล้วเราก็พูดพูดในทํานงว่าของเขาก็ของเขาคือเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวคือเราไม่ห้ามเขาเราไม่ประนามเขาเราไม่ตำหนิเขาเราไม่ไม่ดูถูกเขาใช่ แคือไม่เกี่ยวลยหมายถึงว่าเราไม่คุยกันเลยอ่ะคไม่ใช่ผมเรียกว่าอัลกุฎายะลกุบรเขียนบทความอันนพราเข้าไปในเว็บบอร์ดนี้เกนีแหละอะอะไร่้เรล็กๆคนรุ่นเล็และก็เล่นงานมุสลิมอย่างนี้นะผมเขียนบทความว่าอนัลกฎายะลกุบรอย คดีให ญ, ใหญ่เรื่องให ญ, ใหญ่ไม่มีใครเขียนบทความบ้างละ่ะปัญหาที่ที่โลกกำลังหาคำตอบไ ม, ไม่มีใครใช้เวลาในการค้นหาในการเขียนบทความในการให้ข้อมูลในการนำเสนอในนามของอิสลามในนามของมุสลิมบ้างทั้งมีเรื่องเหล่านี้ในเรื่องใหญ่นะคดีใหญ่นะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญของคุณอานการมีการไม่มีพระเจ้า การยอมรับไม่ยอมรับในพระเจ้ามีวันเคลีย ม, มา ม, มีวันเคลยร์เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านนี้ไอเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับนักวิทยาศาสตร์ เ, เขาปฏิเสธที่เขาปฏิเสธวันปรโลกวันสิ้นโลกเพราะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีข้อสรุปว่าวันสิ้นโลกเนี่ยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าจะเกิดขึ้น ก่อนมุ่นตะกอนมุ่นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการของการเกิดของโลกแต่ที่หลังเนี่ยทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วว่ามีมีเหตุการณ์บิกแบงที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการ์บิกแบงที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับอายาในส่วนอัมพียาที่อรรถเดบุต อีกแบงการระเบิดครั้งใหญ่นั่นนี่อะไรวะก็ไม่มีหลักฐานช่วงหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าโลกนี้จะสิ้นสุดนี่เริ่มแล้วที่เขาที่ไอนไ์สไตน์แต่กอนน้นน่ะเขาสมมุติฐานว่าเป็นเป็นเป็นสมมุติฐานทางฟิสิกว่าโลกจากกวา น, นี้ โลกจักาลนี้เช็กชิ้นมีจุดเกิดมันมีจุดตายเาเาและเขาพิสูจน์ด้วยด้วยคณิตาสเขาไม่ได้มีกล้องไม่ได้แต่าวเนี้ยที่เขาสอง่งดาวเทียมไปนะ่ะปรากฏว่าจุดตายของมนะันน่ะที่เขาได้การดูดเนียอันเนี้ยอันเนี้ยมันกาลังเป็นทฤษฎีใหม่ ที่จะพิสูจน์ว่าโลกนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะสิ้นสุดจะจบะนักวิชาการก็เริ่มคิดใหม่แล้วว่าวันสิ้นโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปาะมปาลแล้วมันไม่ใช่เรื่องแต่กอนที่เขายเยอะเยะ้ยนบีอะไรเอาความรู้มาจากไหนจะใครยังไงก็ไม่รู้ ฉีกชิ้น i n อกร้นะว่เนบขอมูลมาจากไหนอมูลนัมาจากใบบันทึกมาจากคนเล่าคนอะไรผมมาเอที่สีด้านด้านวิทยาศาสตร์อะไรร่มตะลึงตะลึงกันสัพักหนึ่งแล้วก็คือตะลึงกันเรื่อยๆเนี้มาด้วยรื่อตลงกันละไอ้สิ่งโลกนี้มันไม่ใช่เรื mm ่อง a ม่ใช่เร no ื่องบามีบาาละวิทยาศาสตร์ด้านหนึ่งกำลังี่สูจน์ด้วยหลักฐานเขาเอง ว่ามีวันสิ้นโลกนะแล้วมาเจออายะแบบเนี้ยอินนามาตูฮัดูนัลอาตินสิ่งที่พวกเจ้าสัญญาไว้นั้นจะมาแน่นอนตกลงคุณอ่านต้องทำอะไรมากมายไหมคุณอ่านไม่ต้องไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรมากมายคุณอ่านแค่มายินยันและยินยันแบบแบบเจ็บๆนะให้เขาเสียใจว่า การอ่านหู้นอ่านแบบง่ายๆเนี่ยและที่คนเขาศรัทธากันแบบง่ายๆเนี่ยมันเวืร์กกว่ามันมีผลมากกว่ามันดีกว่ามันง่ายกว่ากับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยสิ่งที่มันซับซ้อนที่อาจต้องใช้เวลาเป็นพันพันปีว่ามาอันตุนบีมอ์จิซิตมันก็เป็นสิ่งท้าทายเหมือนกัน พวกเจ้านั้นไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปได้สำหรับทฤษฎีต่างๆที่กำลังพิสูจนได้เห็นว่าโลกนี้ยังไงก็อยู่ไม่นานาเหมือนเหมือนมีบิ๊กบิ๊กแบงอะนะบิ๊กแบงให้โลกเกิดก็จะมีบิ๊กแบงให้โลกโลกพินาศ และค่อนข้างร้อยปเแล้วอ่ะการพินาศ ก, การสิ้นสุดของโลกเนี้ยมาแน่นอนแต่เขาคิแล้วกันว่าจะมาอีกหมื่นปีอีกล้านปีแต่เขาบอกว่ามาชัวร์มาแน่นอนไอิที่สร้างอ่ามันต้องมันต้องจบอ่ะอยู่ตลอดไปเนี่ยเป็นไปนไม่ได้ ไปไม่รอบซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนต้นนี่ว่าอายะแบบนี้นบางทีเราอ่านเราก็ไม่รู้สึกในความมิ่งใหญ่มันไม่สะเทือนแต่สำหรับคนที่รู้ความลึกลับรู้ความเค็ดลับของวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ พอมาอ่านอายะนี้มันท้าทายจริงๆมันรู้สึกในความยิ่งใหญ่จริงๆรู้สึกในรู้สึกในความอลังการจริงๆว่าไม่น่าเลื่อยท้าทายตัวหันนะพิปฏิเสธแล้วก็สุดท้ายนี่มันก็เป็นเช่นนั้นจริงผมได้ฟังคลิปอันหนึ่งของบาทหลวงคริสคนหนึ่ง เขากว่าชีวิตของเขาในทั้งชีวิตนะก็ถูกปลูกฝังเอาว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากะเลทายเล็นคนจนบดเป็นกุฎอานี่นบีอุบลูกเองนบีมหัมัดนี่นะกล่าวไว้เองพูดไว้เองอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะพบกับมุสลิมก็อยู่ในรัฐที่ห่างไกลจากเมื่อสิดห่างไกลจากมุสลิมมากเลย ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยประมาณ30มสปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรการค้นหานี่แล้วได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่ามุสลิมเป็นศัตรูอิสลามเป็นศาสนาที่ล้าหลังศาสนาที่มาจากเดลซายที่ไม่เหมาะกับคนตะวันตกอะไรแบบนี้คุณอานนี่เป็นเรื่องอุปโลงของคนที่อยู่ในเดลสายอย่างท่านไม่ยอมมั้ ทำให้เขาเนี่ยมันบันทอนความตั้งใจที่จะค้นหาอะคนอย่างเราเนี่ถูกชีอว่าคนนี้เนี่ยมันไม่ชอบเรามันไม่ชอบเราไม่มีวันมันจะสลามันมันไม่ชอบเราเนี่ยมันจ้องมันจ้องจะฆ่าเราเนาะเราก็ปักระวังระวังด้วยมันจะฆ่าเราพอเราเชื่อเราปักแล้วไงเราเชื่อแล้วไงในวันดีขึ้นดีเขาก็เอาดอกไม้สีแดงเอาของหวานอะไนี้มาสอะไรกันเป็นยังไงครับ คือเปลี่ยนหมดเลยเขาเนี่ยเวลาอยู่ในความเชื่อดั้เดิมมาแล้วไม่คิดว่าวันหนึงเนี่ยเขาจะเขาจะรับอิสลามแต่พอได้มีโอกาสเจออัลกุรอานแล้วก็ศึกษาอัลกุรอานและศึกษาชีวประวัติของบสุลต่านอะไรบางอย่างที่เราอ่านแล้วมันผ่านธรรมดาธรรมดา เป็นยังบุญอะบางหลวงมีรับอิสลามเขาบอกว่าเขาบอกว่ า, า, ว า, วาพูดบาดหลวงเนี่ยจะกล่าวหาท่านนอุมมามินมาเป็นสองคนคนในสองคนหนึ่งเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าคือคนนี้ไม่มีสติเลยรู้เป็นคนที่ฉลาดที่สุด ฉลาดที่สุดขี้โกงที่สุดเจ้าเล่ห์คือเป็นคนนี่งัวที่สุดคือบ้าเลยนะหรือเป็นคนนี่ฉลาดแล้วก็บแบบวางแผนอย่างเนียบเลยจะได้หลอกชาวบ้านทําไมเขาบอกว่าไปพิสูจน์แล้วคุรานเนี่ยที่เขาไปอ่านกุรานนี่นะมันต้องมาจากที่อื่น อันนี้มันต้องมาจากที่อื่นแล้ะนบีเนี่ยไปเอามามาอ้างวะเขานี่เป็นคนทำเขาเชื่อแบบนั้นแสดงว่าที่เอามานี่นะคนหนึ่งหรสองคเป็นคนบ้าเอาของคนอื่นนี่ก็มาอ้างหรือเป็นคนฉลาดมากเขาบอกว่าจะมีศึกษาเยบอบกว่นบีเนี่ยมีบางเรื่องอนะไรเป็นไ ป, นปนไม่ได้ว่านบีจะเป็นคนบ้าหรือจะเป็นคนดีเจ้าเล่ห์เป็นคนฉลาดที่วางแผนจะได้หลอด ออกลวงชาวโลกเรื่องธดามากผมฟังลเรื่องสุริยคดที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีสุริยคดสุริยคดที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีสุลอห์อัยยุสัลกเกิดในวันที่ลูกชายของท่านนบีเสียชีวิตลูกชายนบีอัฮามัดอิอิบรอฮิมได เป็นบุตชายที่มาจากเป็นมุตชายที่มาจากทาสีชื่อมารีอในทัสลาดีนุตั้งนีว่ามารีอในเป็นทาสีไม่ใช่บารีอาของท่านนบีเป็นทาสีที่ได้มาจากกษัตริย์ของอิบชื่ออัลมุกเกาสพอท่านนบีส่งจดหมายไปดาว่อัลมุกกาส มุขเขาก็ตอบรับดีแล้วก็ส่งฮัเดียไปให้ท่านนบีหนึ่นนบบงนนั้นก็มีลาตัวหนึ่งแล้วก็ทาสีทาผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อมาเรียท่านน บ, บีก็เอามาเป็นทาสีทาสีนี่สามารถร่วมรบรองกับเขาได้ถ้าได้ลูกก็จะได้เป็นอิสระได้ลูก แมารยนชื่ออิบรอฮิมอิบรอฮิมก็อยู่ไม่กี่ปีประมาณ4ี่ปีสมปีและเสียชีวิตซึ่งมี حكمة มี حكمة แตก็ลัทธิสุบฮานะว่าอทีจ้าอนบมีลูกและเสียชีวิตพราเสียชีวิตแล้วก็มีคนวงน้นมากในผู้รับอิสลามใหม่ ยิคนอาหรับนี่นะตกอนนูนน่ะ้าบทน่ะอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นของโลกนะ่ะนะเขาก็ผูกพันกับเหตุการณ์ต่างๆนี่ไงสุริยค่าเกิดขึ้นเขาไม่ได้ศึกษาตะกอนนูนวดาราสนี่ว่าไงที่นี่อ้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีกไหมเพระาะนี่ลูกนบีเสียชีวิตงนี่ไงเคยบอกนี่นบีนบีนีนสุริยค่าเกิดขึ้นในวันเดียวที่ลูกขอ ง, งนบีเสียชีวิต มานุนี่เขบอกว่าถ้านบีเป็นคนบ้านนะเขาก็เชื่อตามชาวบ้านเอ อ, เ อ, อใช่ดีกว่าเออสุริยคราสเกิดขึ้นวันนี้ลูกฉันเออเห็นไหมเห็นไหมถ้าเป็นคนบ้านะก็เชื่อตามชาวบ้านแล้วก็เป็นคนฉลาดอะ่ะเป็นคนเจ้เล่เออนี่แหละ นี่แหละหลักฐานนี่ฉันเจะบอเห็นไหมบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นวาซูลเห็นไหมแต่นบีไม่ได้ทําแบบนี้เลยนบีบอกว่านี่นะเหตุการณ์ีเนี่ยเหตุการณ์สุลิกาตมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะคนเป็นหรือคนตายมันเกิดขึ้นเพราะอาลัลลอฮ์ประสงค์เพราะว่ า, วาถ้านาบีไม่มีความประสงค์ที่จะยุยออ่องอัลลอฮ์นะอยากจะพิสูจน์ให้ตัวเองว่า พูดจริงอย่างเดียวนบีก็ช่วยโอกาสสิแต่ปรากว่านาบีไม่ได้ทำนี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้บาตรหลวงคนเนี้ยรับอิสลามแต่เป็นฮาริสเชยใช่ไหมเป็นหาริสธรรมดาใช่ไหมเราอ่านกันเราก็เคยกล่าวกัน <c oughs> ม, มันผ่า น, านไปแต่เป็นเหุผลที่คนเนี้ยศึกษาศึกษาด้วยเหตุผลต่างๆ่างนี้นะแล้วเป็นเป็นปัญญา พิเศษสำหรับเขาที่จะให้เขารบอิสลามได้รับแสงสว่างจากอัลลอฮฺสุภาอัลฮุตาลพวกเราไม่รู้รว่าเหตุผลอันไหนในคุตั้นที่จะเป็นจุดประกายของคนที่ต้องการรู้ความจริงในอิสลามเพราะไม่รู้คุณ อ, อุลลามะได้บอกว่าคุตัานทั้งหมดนี้เป็นแสงสว่าง ทั้งหมดในคุรอานมีแสงสว่างในตัวและใช้คุรอนน์อานในเวลาอ่นานกุรอ์อาร์ใช้กุร์อานในการเผยแผ่เนี่ยเราต้องเชื่อว่าแสงสว่างอยู่ในตัวกุรอ์อานไม่ได้อยู่ในความเข้าใจของเราต้องแยกให้ดีความเข้าใจของเราที่อาจจะเข้าใจตึ้นตื้เข้าใจได้แค่นี้นายทีบอกว่าบัรลิกอัลหมิวลาอ้าย 本领วนนัว่าเราเอาย๋ยให้เผยแ พ, พ่ต่อจากฉันแม้ว่าจะเย่ อ, เอยเดียวก็ตามทําไมไม่มีใครรู้ว่าว่าสว่วนไหนที่เราจะเผยแ พ, พ่ที่มันจะเป็นประโยชน์สาหรับมนุษยชาติมเครู้ไม่ไมีใครรู้ว่าสว่วนไหนของศาสนาเนี่ยเมื่อเราเอาไปนาเสนอเนี่ยคนก็จะรับอิสลาม เราเราจะทำนินพวกนักกรณีนักกรณีที่ชอบอา่านแบบลกกูใช่ไหมถ้าเอาคุดอามนมาเหมือนเป็นเพลงเป็นเป็นเป็นทำรองเป็นอะไรเนี่ยแต่มันไม่เสมอไปแล้วเราก็มานั่งคิดว่าไอ้พวกกรีเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์อะไรล่ะกับการสร้างปัญญา เพราะคนรีฟังนี่ได้จะทํานองได้ขอยร้เนี่ยชอบดุลาอบดุลซมเนนกกัเป็นนักกรีเป็นนักกรีเอคนอื่นเขามีคลิปดังมากในอ่านสุรศีหอฮาจไม่ได้อ่านแลร้องไห้แกเป็นนักกรีไปไหนก็ถูกจ้างนะจ้างแพงดีนะถูกจา้งนะกจางไปอ่าน ที่ประเทศหนึ่งที่แอฟริกาโอบันดาน่าจะเป็นโอกันดาซึ่งเป็นประเทศประเทศที่ล้าสมัยมากแต่มีมุสลิมเยอะเคยมีประธานาธิบดีชื่อโมฮัมหม็ดอิดีคนนี้เนี่ยที่เขากินคนนะเข้ฆ่าคนแล้วกินนะฆ่าประชากรส0ม0สคนนะโมฮัมหม็ดอิดีอามีนไม่ใอิดีโมฮัมหมดอิดอามีนนั่นละขัตกรแบบอาเชกอเนี่ย โอแกนด์นี่ก็มีมีมุสลิมมีคริสแกก็ไปอ่านในปดนน่ไม่เนี่นั่นน่าจะเป็นอก์ไปอ่านกุศอ่านที่นู่นอ่านซูเราะอะไรนี่จะไม่ได้แต่เขาอ่านแล้วก็ออกใหม่เขาบอกคนรับอิสลามวันนั้นเลยสามสิคนฟังเขาอ่านกุานซึ่งคนที่ฟังชิดอัมดุลบาซิอ่านกุศานี่เขาจะทึ่งใน คือมันนีอ่ยเสียงเขาเนี่ ม, นมันมีความอลังการน่ะเขาฟังเขาขอเขาเขาขอข อ, ข อ, ข อ, ข อ, ขอรับ канале, อิสลามเลยะซึ่งเราเออมีคิดว่าแกรีนมันจะสร้างปหะโยชน์อ่ะแต่ก่อน่ผมก็นั่งคิดแต่นักกรีนิจุดอ่านไรื่องนี้อีกมาเยะด้วยแบบนี้บางทนักกรีไปที่ไหนแล้วก็อ่านแล้วก็คนประทับใจมีคนที่ติบัตตัวมีคนที่ก็มีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะนั้นส่วนมากก็จะเป็นนักกรีนิลที่แบบว่ามีวรรคหน่อย เป็นนักรกรณีที่เข้ามาดิแต่ออก่อนนั้นผมก็เข้าใจว่าพวกนี้เนี่ยเขาเอาแต่เอาตังอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนแบบนี้เขาเอาตังจริงทั้งยังดิการอ่านของเขาเนี่ยบางอย่างนี่ก็เป็นอุตริกรรมนะอนี้ก็ไปอ่านสมมก็ไปอ่านตามมาัลิปเออไปอ่านตามเจนอาซาเจนอาซาได้ก็มีมีห้องแสดงความเสียใจแล้วก็มีมาอ่านคุรอรานอ่าน ก็อันนี้อุตริกรรมแต่ที่เราไม่รู้นี่ว่าว่าที Không, up, neither, ay ay ่บางคนไม่รู้นี่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่เขาไม่ดีในเรื่องนี้อย่างเดียวนะไม่บางทีเนี่ยเขาก็ถูกเชิญไปอ่านคุตัานในบ้านคนรวยนะคนรวยแล้วก็เชิญคนนักวิชาการอ่านคุตั้นแล้วก็มีบรรยายเรืองนี้ไม่มีปัญหานี่มปัญหาแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่เรื่องแสดงเนี่ยเขาไม่ไม่เซเรียส อยางเช่มหูส์มหัมมัดสุดีกษ์เป็นชามิสสองคนพี่น้องกันนะคนที่เสียชีวิตไปแล้วสองคนนี้เสียชีวิตไปแล้วแตมีคนนึงที่เสียชีวิตไปก่อนมหัมมัดสุดฤก์นชา่คนดังคนเนี้ยแล้วก็อ่านไพเราะ ม, มากคนนี้เดียเขาไปอ่านที่จนร่างแห่งหนึ่งแล้วก็เจ้าของจนร่านี่ตั้งใจแล้วว่าจะอ่านแล้วเนี่ยเขาจะให้เหรียญทองตกอกต้นแบบประเทศอีบะนะ เงินตาเขาเนี่ยมีทั้งกระดาษมีทั้งเหรียญที่เป็นทองคําจริงรู้ไะมว่าเหรียญที่เป็นทองคําจริงเนี่ยก็มูลค่ามันมหาศาลเขาก็เตรียมไว้ในกระเป๋ากระเป๋าเสื้อพอจะกลับแล้วเนี่ยก็ก็ปหยิบแล้วก็ใส่ในมือพอเจ้าภาพนี่กลับบ้านแล้วนี่ไปหยิบมือในกระเป๋านี่ก็ปบอกว่าไอเหรียญทองนี่มันยังอยู่ แกก็ตกใจเพราะในกระเป๋าเนี่ยมีเหรียญทองแล้วก็มีเหรียญธรรมดาซึ่งไม่มีค่าเขาดังไปจับไอเหรียญที่มันธรรมดาที่ไม่มีค่าเนะี่ยไปให้เขาแล้วก็เห็นตัวนียังอยู่แกก็เลยไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยวิ่งไปหาเชคที่บ้านเลยบอกว่าเชช ค, ครับนี่ผมไปดีผมลืมอันนี้ผมลืมนนหลมไหมอันนี้ไม่ใช่อันนู้นบอกว่าไม่จบแล้วผมได้มาแล้วครับ คือถ้าคนพวกนี้เนะี่ยหากินกับกูอ่านนะ <c oughs> ไม่เป็นไรกูก็ว่าทมมํนน <c oughs> า, า, าไมอบ้านเราเนี่ยเขาไม่เขาไม่บานาเนี่ยเขาจับซองพอรับซองนี่ดูซองมันหนาปะสองคนไอตัวคนน้นเจับแล้วก็นะจบเลยเป็นยังไงเป็นอะไรนี่ไม่สนใจ แต่เขาเป็นคนที่หากินกับคุตัานะปรากฏว่าคนพวกนี้อย่างเชกมหมุดฮุซารีเชกมุม a m m a d bin شاويعبد ุลบาศนะ عبد ุลซามัดเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้คนชอบอ่านคุตัานะคนชอบเอาคุตัานเข้ามาเปิดมาท่องจํากุตัานกับเขามาเปิดศึกษาเรื่องคุตัสนาแสดงว่าส่วนหในชีวิตของนี่มันก็มีบริการมันก็เป็นบริการเหมือนกันนะว่ะ อุลมะบางคนผู้รู้บางคนนี่เขาอาจจะมีข้อผิดพลาดอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีนะแต่นั้นไม่ใช่หมายร่วมว่าชีวิตของเรานชีวิตนี้ไม่ดีหรอชีวิตของเรานชีวิตนี้ไม่ได้ทําอะไรด้วยอัลลอฮ์เป็นศาสนาหรอและอัลลอฮ์จะไม่มองความดีอมของเขาเลยหรออาจจะมีบางส่วนไม่ดีนะแล้วอัลลอฮ์จะให้มีบารากัตในส่วนดี น, ะนั้นๆนะเกี่ยวกับความรู้เพรากฏว่าโตคูบางคนเนี่ยทำบิดา แต่รากว่าเขามีความดีในสังคมคนก็ก็รับถือคนเาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเขาต้องคนไต้องคุยเ่งกาทบิดาหตคนนี้มีความช่วหมีข้อบิดพลาดเพราะอะไรอ่ะเขาเาก็มีความดีแล้วอัลลอฮฺ س แะความจีจะไม่ทอดทิ้งแน่นอนทุกคนไม่มีความดีอมาก็จะให้มีความหมายและความชื่ออะไรนี่เนี่ยคความเมตตาของราความชื่วนี่นะนะอัลลอฮฺ سبحانه และก็จะมีความหมายแต่ว่าอะไร แปลว่าความดีนี่อาจจะกบความช่วยก็ได้แต่ในความช่วยนี่าเอาให้มันมีความหมายอะนะก็ให้ขึ้นอยตามขนาดตามขนาดของมันไม่อยู่ความช่วมีอยู่หาปซและความดี9ก้า้าความช่วยจะลบความดีนะั้นมีไ้มอาลลอฮฺนี่ไม่มีแต่มนุษย์นี่มีเยอะดี 99% เ้าอรแล้วมีไม่ดีอย่างหนึ่ง น, นะครัไม่เจอดีเลย ไม่เห็นดีเลยไม่มีดีเลยอะไรประมาณเนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับจากอายานี้ซึ่งผมตั้งใจที่จะให้เป็นอายัเดียวนะครับที่เราได้ได้เห็นคุณค่าของการเผยแพร่ที่ละเอียดอ่อนที่ท่านน า, ว, าวิสลล์ล็ออลยซัลใช้คุอัานกับคนอื่นรวมถึงเทคนิคและศิละปะ ในการนำเสนอหลักฐานในการนำเสนอเหตุผลที่อาจจะเป็นเหตุผลที่เราเองเนี่ยมองว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะมีความหมายสูงก็ได้ความหมายที่มีน้ำหนักก็ได้ฉะนั้นหากเรามองว่าน้าหนักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราเสมอมันอาจจะอยู่ที่คนอื่นที่ดีที่สุดเนี่ยเรานำเสนอหมดเลย มีโอกาสนาเสนอกุตอานนำเสนอเหตุผลตัวบทหลักฐานเมื่อไหร่ละนำเสนอนำเสนอหมดเลยเพราะคุตอานทั้งหมดเนี่ยย่อมเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายถ้าเราไม่รู้แต่ที่ดีที่สุดกว่านั้นนะ่ะเราเนี่ยควรที่จะศึกษาสองอยา่างศึกษาคนและศึกษากุตอาอายะหรือส่วนที่มันเหมาะกับคน ท่านนบีอ่านสุรสิลสุรเดียวอ่านอย่างเดียวมีคนบอกว่าได้ยินว่าท่านเนี่ยอ้าน่าเป็นรสรที่มาจากอัลลอ์เขาบอกว่าจริงบอกว่าไหนฟังหน่อยสิที่พระเจ้าของของท่านเนี่ยบอกมาท่านนบีก็อ่านอลิฟแลมีมิาบุนฟุซิลสุมลมาดุนฮกิอ่านเขาตอบสุร้ยนะอัลชาดุลลาิลาอิลัลลอฮสุรเดียวอีกคนหนึ่งนบีอ่าน อินทัลฮ yeah. ัมด so ุลิลลาฮิฮันจุบลาฮิกะอัลกัลิมอเลยแสดงว่าส่วนไหนที่มันจะทะลุหัวใจผู้อื่นเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้เราใช้หมดเลยดีที่สุดนะที่ดีกว่านั้นมันก็คือศึกษาที่ที่คนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรเขาสงสัยเรื่องอะไรแล้วก็เรานี่ก็ต้องศึกษาคุตตาให้ละเอียดให้ดีแล้วก็ไปดูอันไหนที่มันบอกอันไหนที่มันบอกกับเขา สำหรับพวกเราที่อยู่ที่เนี่ยหรือพี่น้องผู้ชมตามทีวีซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษากุตอาญญนอย่างละเอียดอ่อนผมนี่มีข้อแนะนําที่ดีที่สุดเพาบางคนจะบอกว่าโอ้จะศึกษาคุตอาจนั้งหมดนี่ ก, ก็เออย่างอย่างผมนี่ยนะถ้าจะศึกษากุตอาจนั่งหมดนี่ตามเชฟนี่ยนะก็ต้องมีอายุสักสอง ส, องสมร้อยปี ผมพูดพูดเสมอนะครับว่าที่ผมศึกษากับพี่น้องเนี่ยศึกษาเป็นตัวอย่างศึกษาแล้วก็ให้เป็นกุญแจสมมติว่าเราได้ถึงแก่อาจารย์แลว้วผมมาถึงแก่อาจารย์แล้วพี่น้องก็สานต่อก็เอากุญแจเหล่านี้ไปศึกษาต่อเนยอ๋อมันต้องชิจารณาแบบนี้เนะต้องต ร, ตรอง แบบนี้ไม่ใช่หมายรวมว่าเออเราจะได้มีโอกาสศึกษาเนรู้คุณอ่นแบบนี้นี่นะอาทิตย์ละอาย่ายังงี้กวรจะจบนี่จะจบเมื่อไรเนี่ยคนอย่างยูซุปนี่ก็เกษียณแล้วยูซุปนี่ก็เปลี่ยนกราแบบนี้แล้วก็ไปสารต่อที่ประเทศลาวไปไปเผยแพร่ต่อเพราะมีคุณแจแล้ว แต่สําหรับคนทั่วไปที่บอกว่ไม่มีโอกาสที่ศึกษากุานทั้งหมดเลยทํำยังไงอะเร า, อ, าอ่านกุตอ่านใช่ไหมเราได้ศึกษากุตอ่านบางส่วนใช่ไหมส่วนไหนอะที่เราชอบส่วนไหนอะที่เรารู้สึกว่ามันประทับใจมากส่วนไหนอะที่เรารู้สึกว่านั่นอะมันเหมาะสําหรับคนทั่วทวไปส่วนไหนอะพี่น้องเชี่ยวชาญในส่วนนั้นนั้นไปและใช้ไปตลอดชีวิตแค่นั้นก็บ ทำไมเพราะแน่นอนส่วนไหนของอัลกุรอานนี่ก็จะมีบางคนที่ต้องการส่วนนั้นๆส่วนไหนของอัลกุรอานมันจะต้องเหมาะกับคนบางคนแล้วก็จะไปใช้กับทุกคนสักวันหนึ่งมันจะโดนสักวันหนึ่งอายะที่เราช้าแค่นี้นะมันก็จะได้เจอกับบุคคลที่ต้องการคำตอบนั้นจริงๆสักวันหนึ่งเราตั้งใจ ถ ton, a snap, a bone, a e ้าท in ุกคนนะพวกเรานี und ppe, und gue, und folk, ine, ่ไปทำกันแบบนี้อ่ะนะคุณอ่านนี่ก็ถูกผยแพร่โดยรวมนะคนนี้หน่อยหนึ่งคนน้นหน่อยหนึ่งคนนี้หน่อยหนึ่งคุณานทั้งหมดเนี่ยโดยมุสทั้งหมดนี่ช่วยกันเผยแพร่นะคนนี้คนน้หน่อยเนี่ยก็จะถูกเผยแพร่ทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องลองดูสิคุณอ่านถูกเผยแพรยังไงยคนที่ไม่ใช่มุสคเนี่ยขรู้ เหตุผลหลักฐานต่างๆในคุรัานยังไงนอกจากว่าเขาเองตั้งใจที่จะศึกษาคุรัานแต่มีใครที่ไปนำเสนอมีใครที่ไปให้เขามีใครที่จะที่จะบริโภคคุรัานจนจนจนอูในเส้นเลือดแล้วก็เอาไปบอกเขามันอย่างนี้นะเราเอาอายะที่เกี่ยวกับพุทยิศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะไม่ต้องยอด้วย สัก10บอายะเกี่ยวกับเรื่องในกุณอานท่องไม่ดีจะไม่เอาหลักานจะไม่ดีแล้วก็เอาไปแพไปลงในเฟซไปลงในไลน์ไปเขียนบทความไปทำไปทำซีดีใวีดีไปหาในยูทูบเ้าเอาแค่นี้ฉันเอาแค่1ิอายะนี่แล้วก็ทำงานตลอดชีทำงานอะไรนี่อย่างเดียวเราเอาสัก1ิบอายะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวระหว่างสามีภรรยามาสัจย์ของกุอ่านในการดูแลครอบครัวแค่นี้ แล้วก็ไปเปรียบเทียบดูิกับทฤษฎีปัจจุบันกับข้อแนะนต่างๆดูสิคุณอานนี่มันทันสมัยขนาดไหนเอาค่นแล้วก็แผละการศาสนาเกับเรื่องการทำสงครามี่มีรลการศาสนาเรื่องเสรีภาพไม่บังคับเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อรวมอายะุอานแล้วก็เเอาหลักฐานสหลักฐานที่กับนกีมาในุอานนี่เอามาท่องให้ดีอายะ มาท่องให้บีมาอธิบายให้ดีรวบรวมคําพูดของอุลมามะแล้วก็มาแผ่ชีวิตของเรานี่ก็จะเป็นได้ใช้ยชาห น, นัอลลอนี่ว่าเป็นคนที่รับใช้คุรานรับใช้คุรานเราต้องการให้คนนี่เรียนรู้ศาสนานี่ทํางานแบบนี้นี่คืองานศาสนาที่แท้จริงงานศาสนานี่ไม่ใช่เรียนรู้เรื่องศาสนาแล้วไปทําลาะกับชาวบ้าน เรืศาสนาแล้วก็ไปขัดแย้งกันกับชาวบ้านนิดนิดนิน้อยแล้วก็หาว่านี่เห็นไหมคนที่เรียนศาสนาไม่ทำ ง, งานเหมือนคนที่ไม่เรียนศาสนาแล้คนที่ไม่เรียนศาสนาเขาไม่รู้ว่าศาสนาเนีน่ยต้องใช้แบบไหนตรงไหนไม่ใช่ศาสนา ไ, ไม่ได้บอกว่าเอารความขัดยงวไปะเากับชาวบ้นเอาเมขัดแยไปตอว่าชาวบนไม่ต้องเอาเรื่องความขัดแย้งแล้วก็ไปไปเผยแพร่กับชาวบาน เขาอาจจะไม่ทะเลาะก็ได้ไเปเผแพ่กับชาวบ้านมีเรื่องอยู่แล้วคนดีฉลาดที่สุดอิมาอุเตะยได้บอกไม่ใช่คนที่รู้ความดีและความเลวคนที่ฉลาดที่สุดนี่คนที่รู้ความดีกับความดีกว่าและก็ความเลวกับความเลวกว่ากล่าวคือคนที่สามารถชั่ง อันนี้ดีและอันนี้ดีกว่าคนที่มีดีก็ดีกว่าแต่ยอมทำดีแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ดีกว่าฉลาดไหมไม่ฉลาดคนที่รู้เลกับโลวกว่านะแล้วก็ยอมทาสิ่งที่เลวกว่าแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เลวธรรมดาเนี่ยอันนี้ฉลาดไหมไม่ฉลาดคนเราในบางทีเนี่ยไม่มีทางเลือก มีเลวกว่าเลวกว่าต้องทําอันหนึ่งอันใดทาอย่างหนึ่งอย่างมีสถตนการเนี่มันต้องอันหนึ่งอันใดทำมาเลือกเราทำมาแทนวิความฉลียลาดนะเรายอมสิ่งที่มันเลวกว่าสิ่งที่มันแย่กว่ามันอาจจะมีมีผลตกศาสนาก็ได้พอมาเลือกทําในสิ่งที่มันมันเบากว่าน่ยมันก็ไม่ชีว่าดีนะแต่มันเบากว่ามันก็ยังพอ พดุงพอรักษาไว้สถานภาพความเป็นมุสลิมนี่ก็คือความฉลาดความฉลาดของคนที่ต้องการทาในสิ่งที่มันปลอดภัยที่สุดครับคงฝากไว้กับพี่น้องเพียง่นี้นะครับอัลลอฮรงนะพี่ะุหมัดุลเลอละอสบุซลุามุอะลัยกุมุรมุลลอฮฺเอ่อเพื่อนี้ก็จะเป็นฮะดีษใช่ไหแล้วก็ สัปดาหหน้าเองจะขออนุ ญ, ญาตลานะครับหนึ่งสัปดาห์เออไม่อยู่พอดีมีงานใหญ่ต้องต้องไปร่วมไม่ว่างก็ทั้งอังคารพฤหัสหน้านะไม่อยู่นะลงมานังคารหน้าแล้วก็พฤหัสนีไม่อยู่นะไม่ตรงมานะ เออทิศนาไม่มีใครอยู่เราหาว่าไม่มีใครบอกอไม่แกมาเนี่ยพผมประกาศรุ่มันก็มาใช่ไหมใจทินาใ จ, ใ จ, ใจ <laughs> ไปเปล่าไปไหมไอ้หนานหลวงป่ะไันาดาไปเปล่ <laughs> แต่มาแล้ว่างไหมเนี่